ท่านสาธุชนมุธบริษัทธ์ทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาขอพบกบัรดาท่านพุธบริษัท์ในเรื่องราวของพระเจ้าจันทกุมารต่อไปเป็นนั้นว่าตอนบัรก่อนนี้มาจบลงตอนที่พระราชาสั่งปล่อย <c oughs> คนแล้วบรรดาประชาชนจะเล่นงานกันนะหาพราหมณ์ และกองกาหาพรามก็ทูลยับยั้งอีกทีหนึ่งเรื่อาการบูชายันเป็นของธทมได้ยากเวลานี้พระองค์ก็ใจอ่อนทำไม่ได้แล้วพระราชาผู้ใจแก้วส่งจับใหม่ตอนนี้พระจันทรกุมานอ้อนวอนให้เหตุให้ผลว่าพระองค์ก็ดีคนอื่นก็ดียังมีประโยชน์กับประเทศชาติ ถ้าจะสั่งให้รบสิษย์ก็ทำได้ให้เป็นท่ายของพราหมณ์ก็ยอมทำจะขังก็ไม่เป็นไรจะไล่จากประเทศก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็มาฟังกันต่อไปว่าพระเจ้าเอกราชาทรงสันดับการกราบทูลเขาว่าจะพระจันทร์ค ม, มาันแบบนั้นก็ทรงสลดพระทยแล้ก็ทรงวิปโยคคือว่าเสียใจสลดใจ ในคําลำพันธ์ของพระราชกับพระราชฎรกุมาจรจีวรจันทร์กุมารยังได้สั่งปล่อยอีกทุกชีวิตทั้งหมดเนาว่ากันไปแต่เมื่อพราหมณ์คายค้านก็สั่งจับใหม่อันแน่นไงละยังกอด น, นะเป <c oughs> ็นน่ะว่าทรงสั่งปล่อยทั้งหมดทุกชีวิตเมื่อพราหมณ์นั้นมาคายคันเขาก็กล่าวคําบุสุภาสิทธิ์หลอกลวง เจ้าพราหมณ์คนโกงนี่มันมีสุภาษิตเยอะนะระวังเจ้คนปิ้งเจ้คนปล้นเจ้าคนล่องหลอกล่อหลอกกลิ้งไปกลิ่งมาไม่เชื่ออะไรไม่ได้มีความหวังอย่างเดียวคือประโยชน์ของฉันเจ้าพราหมณ์นี่ฟังกล่าววาจาเป็นสุภาษิตให้ฟังก็ทรงหลงเชื่ออีกตัดสั่งให้จับใหม่ทั้งหมดก็ว่ากันไปว่ากันมานี่เป็นเคารพสองแล้วนะ ให้จันทกุมานเห็นพระราชวินดาอย่างอ่อนปัญญาอ่อนปัญหาที่เปรียบอ่อนปัญญาที่หาเปรียบที่เปรียบเทียบไม่ได้ยังรู้สึกจําเป็นจําที่จะต้องชี้แจงให้ทรงเห็นในถ้อยคำที่หลอกลวงของรามเพื่อช่วยพระราชวินดาให้เกิดปัญญาจเจริญยิ่งขึ้นไปอีกจะได้กราบทูลว่า ถ้าแต่พระรชวิดาผู้ทรงคุณบัศเสดถ้าคนเราจะไปสู่สวรรค์ด้วยการฆ่าบุตรปัญญาบูชายันจริงดังคำของพรามแล้วก็้หยพรารมทา ม, มิธีบูชายันบุตรปัญญาของพรามก่อนเถิดพระเจ้าค่าะพระองค์จึงจ้ยทรงทมต่อฆ่าประบาทต่อภายหลัง เมื่อกรหาพรามรู้อย่างนี้ทำไมจึงไม่ฆ่าบุตรไม่ฆ่าปัญญาของตนทำไมจึงไม่ฆ่ายายของตนและตัวตนเองล่ะไม่ฆ่าตัวตัวเองเสียด้วยรับไปเจ้าค่ะเพราะว่าการฆ่ามันไปสวรรค์อันนี้คติของพรามก็ไม่มีอยู่ว่าทนเหล่าใดบูชาอยังก็ดี ให้ผู้อื่นบูชายั์ก็ดีหรือแม้ยินดีในการบูชายัญนั้นก็ดีชนเหล่านั้นย่อมไปสู่นรกทั้งสิ้นนี่เป็นอันว่าประเพณีก็งพานตำราของพานก็าบอกว่าชนเหล่านใดบูชายัญเองก็ดีให้ผู้อื่นบูชายัญก็ดีหรือยินดีในการบูชานั้นก็ดีชนเหล่านั้นย่อมไปสู่อบายทั้งสิ่นเขนนรก อบายนะนี่จะอ้นี่จะบายตรงนรกจริงตตรงตรงเมื่อพระราชจุมานกราบทูลดังนี้พระราชุินได้ก็ยังไม่ทรงเชื่ออาจารย์ธุลมารจึงได้ร้องไห้กับบริษัททั้งหลายว่าท่านพ่อบ้านแม่เรือนทั้งหลายแคไหนจึงไม่ช่วยทัดทานพระราชาบ้างเราหวังประโยชน์ส่วนรวม เือประโยชน์ของชนทั้งปวงชช้นไหนจึงไม่ช่วยเรากราบทูลในข้อนี้บ้างแม้กระดัางก็าหาได้มีใครกล่าวคำอันใดขึ้นมาไหมโอ้นี่กฎของกรรมนะบรรดาญาโยมพุทธบริษัทไอกฎของกรรมในความจริงมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำเลวเสมอไปเราเป็นคนดีแต่ว่าคือคนเลวอยู่ในทิ่งของคนดี แต่คนเลวมีอำนาจมันก็เป็นอย่างนี้เนะ่ยพระจันทนร์ุกบาลยังได้ให้พวกปริยาของพระองค์ช่วยกันกราบทูลด้วยแต่ก็ไม่สามารถให้พระาชาชทรู้สึกด้วยแม้แต่เพียงการทอดพระเนตรมาก็ไม่ก็ไม่ดูเมื่อไม่ได้ผลพระอันต น, นีมาแล้วสิ รพระวาสุนทกุมารผู้เป็นบุตรของพระเจ้าจันทรคุณมารอจันทคุณมารได้มีลูกแล้วยังได้ช่วยกราบทูนวิงวอนด้วยการข้ามคนต่างๆนา น, นาราชาทรงตัดนสยงข้ามข้ามรวนของพระราชนัดดาก็อดอ่าไทยทรงสวงกอดแล้วก็ตรัสสั่งให้ปล่อยคนทั้งหมดที่จับมมอีกครั้งหนึง่งเอา เออเข้าๆเอาเ อ, าอากันอยู่ตอนนี้นะฝ่ายกันเนีพราหมก็จะพยายามคัดค้านเหมือนครั้งก่อนเมื่อเวลาชายกับสั่งให้จับกลุ่มพระราชบดอีกเป็นคารบที่สามได้คิดว่าพระราชาองค์นี้ใจอ่อนกว่าเดียวก็ให้ปล่อยกว่าเดียวก็ให้จับกว่าเดียวก็คงจะปล่อยอีกนี่แต่พราหมงไ้คิดต้องปล่อยแน่ ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราจะต้องพาพระราชานั่นแน่ทำไงล่ะแด้คิดต่อระยาวเลยเราจะพาพระราชาไปหลุมยันเช่นเลยทีเดียวไปนั่งโดตัวนั้นคือนั่งสั่งนั่งปล่อยกันที่พระราชฐานนี้ก็ยุง่งเอาไปที่หลุมยันเอาไปนั่งเป็นประธานตรงนั้นจริง แกจะได้กล่าวคำทํานองทูลเชิญว่าข้าแต่พระองค์ผูะเสิ็หลุมยันได้จัดเรียบร้อยและพร้อมมูลแล้วพระเจ้าค่ะทุกประการขอพระองค์จงสนเด็จไปเถิดเพื่อบูชาเมื่อบูชาเสร็จแล้วจะได้ไปสู่สวรรค์จะได้บันเทิงพระไทยพระเจ้าค่ะมีความสุขสาราญมีนางฟ้าสวยๆมีสัปุกณีมีเวทยันตวมนัน มีบรรดุกำพลสิเรอาจมีต้นปาริเกชาที่หอมกลุ่นที่นั่นมีวยความสวยสดงามมีสวนนันทวันจิตรดาวั น, ป น, นเป็นต้นเป็นอันว่าโอ้โหที่วิมานที่ดาวเด้งนั้สวยสดงามเป็นพิเศษดีกว่าการเป็นพระราชาอยู่ละทีนี้การที่พระองค์เจ้าทรงเสียสระชีวิตคนเพียงแค่ไม่กี่คน แต่ผลที่พึงได้ก็คือความสุขกายสบายใจมีความสำราญยิ่งใหญ่กว่า ม, มนุษย์ธรรมดาขอสมุติเทพผูพ้เป็นพระราชาผู้เบิกเสดไดโปรดเสด็จไปที่บูชายัญเถไปเจ้าค่ะในเวลาที่พระจันทกุ ม, มารถูกนำปฏิบุมการบูชายัญ เหล่าหญิงนางห้ามทั้งหลายก็พากันร้องไห้ข้ามควรติดตามไปอดูใจเขาดีพอไหมแล้วก็พร้อมในบรรดาหญิงอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากอันดาประชาชนในพระนครก็เรัศมี ส, สายส่งเสียงเอ็ดอีงติดตามพระจันทุกุมารไปพระจันทุกุมารเป็นคนทําประโยชน์แก่ประชาชน จึงเป็นที่รักของบรรดาประชาชนอย่างยิ่งเมื่อมามีเป็นความเป็นไปอย่างนี้ที่ไม่สมควรจะเหตุเก็บผลเช่นนี้ยิงทำให้พระนครทั้งหมดสั่นสะเทือนบริเสียงร่ำร้องร้องไห้ท่ามโครนาณาประการราชทวิกูลทั้งหมดก็เต็มบดิความมิปรโยกอย่างสุดแสน และได้พายกันไปกราบทูลวิงวอนต่อพระเจ้าแผ่นดินครั้งสุดท้ายแต่แม้จะร่ำรำพันอย่างไรก็ไม่สามารถจะให้พระเจ้าแผ่นดินทรงกรุณาได้ในขณะที่เหตุการณ์จะถึงวาระสุดท้ายนี้เองนางจันทาเทวีผู้เป็นอัคชายาของพระจันทกุ ม, มาณ ยันได้เข้าวิงวอนว่าข อ, อ่ะได้ข้าพระราชาบทเส้นเลยเมือ่อทรงขอทัดทานแบบนี้แล้วก็ร้องไห้รำพันและหิุนานาประการเมื่อยังไม่สามารถที่ให้พระเจ้าแผ่นดินเปลี่ยนประเทศไดยได้ในขณะที่พระจันทร์ทุกมานถูกนำลงไปในหลุมยัน จึงเป็นเวลาที่กันอาหาันกันดาหานาันธรรมนำถาดทองมาวางประขันเข้ามาจับประขันขึ้นด้วยตั้งใจจะตัดประสอพระจันทรคุมานั้นก็นางจันทาเทวีก็มาร่ำนำพันว่าขณะนี้ที่พึ่งอื่นของเราไม่มีแล้วเราจะทำสัจจกิยา เพื่อความสวัสดีของสามีให้ความพียงน่าสงสารนะฟังแล้วก็อยากจะร้องไห้ว่าแล้วนางก็ประครองอัญชลีดำเนินไประหว่างชุมนุมชนพร้อมกันกล่าวว่ากันดหาพรามผู้มีปัญญาสามก็ทำความชั่วนี้เป็นความสัตว์ โดยเดชะแห่งคำสัตว์อันนี้ขอทเทพีดาก็ดียักษ์ก็ดีสัตว์ที่เกิดแล้วหรือที่กำลังจะมาเกิดก็ดีขอจงได้ช่วยค้นขวายช่วยเหลือเราผู้ไร้ที่พึ่งผู้กำลังสแสวงหาที่พึ่งขอใหเรามีชีวิตอยู่กับสามีด้วยความสวัสดีต่อไปเทิด เราขอวิงวอนพระเจ้าทั้งหลายจงให้พระเจ้ า, าพสวามีผู้เป็นศัตรูาเป็นผู้ที่มีศัตรูจะทำร้ายไม่ได้ในบัดนี้เถิดนี่เป็ น, ปนการวิงวอนหาเท ว, ทวดาเทวดา้ดผเ้ประเสดผู้ทรงฤทธิ์ตอนนี้เรื่องราวนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าทรงตักมาเอง แล้วก็ทรงยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงถ้าบรรดาท่านพุทธบริษ ah ัทชายหญิงไม่เกิดความมั่นใจว่าชาดกเรื่องจันทกุมารนี้จะเป็นเรื่องที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมัยศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสุนตรัสจริงหรือไม่จริงขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงหาสำนักที่เขาแนะนําเรื่องการสมาธิ ซึ่งเวลานี้มียกเกลื่อนไปทศ่ไทยและต่างประเทศที่เขาทำ เ, าเขาใช้การศึกษาถึงวิชาสามเรืองพิญญาถ้าทำได้แล้วจะวิสูต์ได้ว่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสมาจริงหรือว่าใครเขียงขึ้นเอาว่ากันต่อไปลำดับนั้นทา้าวสกเทวราช ความจริงเรื่องเขาพระอินทร์เขาเชื่อกับมาตั้งแเด็กนบับวันพระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันอยู่ตลอดถึงแม้พระองค์สมงตัดเระ่องสมาสพรพุทธเจ้าทรงบัติกันแล้วในโลกก็ทรงตัดเรื่องเทวดาไว้มากมายดัยงนั้นบรรดาท่านงหลายที่กล่าวว่ามีคนก็พูดว่าเทวดาไม่มีเนี่ยจงจําไว้ดีว่าท่านผู้นั้น ท่านไม่ใช่สาวกองค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสมมาสมพุทธเจา้าแต่ว่าท่านจะเป็นใครเป็นเรื่องของท่านนะที่จะหาตรมาโง่ธรรมะก็ยอมโ ง, ง่ถ้าจะโง่ตามพระพุทธเจา้าทรงตัดสอนไว้ก็ยอมโง่เต็มที่เพราะทั้งนี้ตั้งแต่เด็กเล็กมาจนตั้งถึงความเป็นผู้ใหญ่ใกล้จะตายเวลานี้ ก็ยังเชื่อว่าสมเด็จพระจินสีคือพระพุทธเจ้ามีจริงและก็เทวดาพรหมก็มีจริงนิ่พานมีจริงนรกมีจริงเปรตมีจริงอสุรกายมีจริงสัตว์เดรัจฉานมีจริงสัมมเวสีมีจริงทั้งนี้เพราะอะไรเพมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราจะเรียนกันเฉยๆตาดําราความสงสัยไม่เกิดได้ การบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงส่งเสริญปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยอมิษฐริสิ่งของเป็นของดีเป็นเหตุให้เกิดการในกา마วจรสวรรค์ได้แต่การบูชาได้ปฏิบัติบูชานิสัยเราจะเพลื่องความสงสัยในเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนได้หมดเล่ากันต่อไปลําดับนั้นองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงจัดต่อ ว่าท้าสกเทว ร, ราชได้สดับเสียงข้าโครวนของพนางจันาทาเทวีและด้วยอำนาจแห่งสัจจิยาของพนางจึงได้ช่วยได้ค้อนเหล็กมีแสงไฟโลงสเสด็จมายังพระราชา<ม>แล้วก็ตรัสว่าดูก่อนพระราชาผู้รามุกเธอจงรู้ไว้ อย่าให้เราถึงกับต้องใช้คอนเหล็กที่บริหารชีวิตของเธอเสียเลยเธอจะได้ฆ่าพระราชาบทของพระองค์เธอจงอย่าฆ่าราชจ้า บ, บทองใหญ่ผู้ไม่ประทุษร้ายใครท่านเคยเห็นใครที่ไหนบ้างที่จะฆ่าบทพัญญาฆ่าเศรษฐีฆ่ากาวดีผู้ไม่มีความผิดเพื่อจะไปสวรรค์ เธอจงสั่งปล่อยคนที่ไม่เคยพทุศรายไถ่และคนที่ปราศจากความผิดคนที่มีประโยชน์กับส่วนรวมจงปล่อยเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่ปล่อยเดี๋ยวนี้เราจะตีด้วยค้อนที่ลุกโชนบริสไปโอ้โหพระราชาตกใจที่ตอนนี้เจ้าของดาวดึงลงมาเองและก็แสดงอนุภาพแบบนั้น ถ้าจะถามว่าถ้าเขาไม่ปล่อยจริงๆพระอินทร์จะทำยังไงอันนี้ก็เป็นวิสัยของพระอินทร์ก็ไม่ขอวิจารณ์ถ้าจะาถามว่าพระอินทร์มีจริงไหมอาตมาขอยืนยันว่าพระอินทร์ก็มีจริงเทวดาทั้งหลายก็มีจริงพรมก็มีจริงท่ามาราทั้งสี่ก็มีจริงถ้าใครไม่มั่นใจว่ามีจริงหรือไม่จริง เอาคำแนะนำเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปลองปฏิบัติดูบ้างทำให้ได้สองในวิชาสามห้าในอภิญญาหกก็จะปรากฏผลตามที่พระพุทธเจา้าทรงตรัสทุกอย่าง <c oughs> อย่ามานั่งวิภาวิจาณยากันแต่แค่ตำราอันนี้มันไม่ถูกไม่ต้อง คนที่เรียนวิชาทำอาหารดูแต่หนังสือดูแต่ตำราเขาว่ามายังไงก็ว่าตามเขาแต่ก็ไม่เคยปรุงอาหารบริโภคเลยดีไม่ดีก็ไปนั่งติตำราว่าทำไม่ถูกมันไม่อร่อยเพราะว่าทั้งนี้เพราะอะไรเพราะตัวไม่เคยกินอาหาร <c oughs> อ่านปา่าอ่านมาอ่านไปศึกษามาศาึกษาไปนะ่ะเขาก็สงสัยว่านี่มันจะกินได้หรือไม่ได้ ดีไม่ดีเขาบอกไอ้หน่อไม้ในป่าเนี่ยมันกินอร่อยไปยืนมองมองเอาไปเถอะเอ้ไอ้หน่อไม้ประเภทนี้กินแล้วแล้วมันไม่มีประโยชน์รสชาติมันไม่อร่อยอันนี้ชอบอะไรเพราะไอ้ความโง่เขลาบาาัญญาไม่ลองเอาหน่อไม้เข้ามาทําอย่างที่ชาวบ้านเขาสอนอย่างที่ชาวบ้านเขากินกันข้อนี้มีประมาชั้นใดเรื่องสวรรค์พรมนิพพานนรกเปตสุรกายก็เช่นเดียวกัน แต่มันนั่งอ่านแต่นัาศิก็มานั่งวิภาวิจารณ์ก็ไม่ต่างอะไรกับไอ้กันณาหาพรามนี่แหละ ว, ว่ากันไปพระราชาและพระนันเดก่อนอีตอนนี้ตอนที่พระอินทานมาโขพระราชากขดีกันณาหาพรามก็ดีตกใจสุดขีดโอ้แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วตอนนี้พระอินมาแล้วเขียวเอือโหรือแบกคออันเบอ้อ มีไฟลุกโชนจะเล่งงานตกใจกลัวไม่ไหวไม่ไหวตอนนี้จะของมาเองแล้วนี่ถ้าทำดีจริงๆพระอินทร์ท่านก็บอกว่าเออทำอย่างนี้สินี่ฉันจะให้ไปอยู่ดาวดึงจะย่าเป็นพระอินทร์แทนฉันนี่ท่านจะมาเล่งงานก็ตกใจสุดขีดจะเลยสั่งให้ปลดปล่อยเครื่องพันนาการจองจำทั้งหมด จะคนทั้งหมดที่จับมาให้สิ้นมนไม่ไม่เหลือปล่อยปล่อยแย่ทั้งกลัวตายเมื่ให้การเป็นเช่นนี้คนที่หลุดจากเครื่องพันธนาการเช่นนี้พร้อมกลับไปชาชนเจนีการทั้งบนก็พากันเอาแล้วสิช่วยก้อนอิฐบ้างช่วยก้อนหินบ้าง ต่างคนต่างก็จับท่อนไม้ก้อนอีกก้นหินฟ้างป่าปราดประหันกันนาฮาพรามอย่างย่อห ย, ยับดับคิดลงไปในขณะนั้นเองเมื่อเมกไกรฆ่ากันนาพรามตายอ๋อเอาซะตายเลยเนี่ยแล้วก็หันไปเพื่อจะฆ่าปราชาอีกในตอนนั้นเองท่านพระจันทกุมาร น, นะ พระจัทนทรคุมาลยังได้ตรงเขไปสวมกอดพระชีวินดาไว้เพื่อไม่ให้ประชาชนทำลายได้ประชาชนยังได้เชียงรักไม่กล้าขัดใจพระจันทุกมุมารอันเป็นที่รักของเขากนะ่อนจริงพระจันทุกมุมารเป็นที่รักมากนะแต่ก็ได้แต่ประกาศด้วยความโกรธแ้นว่าูเราจะใช้ชีวิต นั่นแน่พวกเราจะไว้ชีวิตแก่พระราชาผู้ชั่วรายนี้ไว้เท่านั้นแต่จะไม่ยอมให้อยู่ในสเวกชัตดนี่เขาบอกว่าเราจะให้แต่ชีวิตแต่แล้วว่าไม่ยอมให้เป็นพระราชาต่อไปสเวกชัดนี้ไม่สมควรแก่พระราชาผู้โง่เขาเบ้าบาัญญาชินนี้เราจะต้องถอยยศ ให้ลงมาเป็นคนจันดาลคนจันดาเนี่ก็หมายความเป็นคนนั่งรับใช้เขา ท, ที่แล้วเราจะในประเทศเสียจากพระนครว่าแล้วก็ช่วยช่วยกันปลดเปรื่้มเครื่องยศสําหรับราชาออกตอนนี้ไม่มีใครช่วยแล้วเพราะว่าบรรดาหมายค่าบริพารทั้งหมดแกก็ไม่ชอบใจพระราชาเหมือนกัน ให้สั่งฆ่าพระจันทกุมารสาสั่งฆ่าคนอื่นที่ไม่มีความผิดแล้วให้แต่งตัวแบบคนจันดานคือคนจนๆแบบข้อทันแล้วก็ขับไล่ออกจากประตูพ ร, ระนครไปเมื่อกำจัดตัวการก น, นีทั้งสองไปแล้วไอ้ทั้งสองนีจะพรามด้วย มหาชนก็พร้องกันทาวิธีอภิเษกพระจ้าทกรมมารขึ้นเป็นพระราชายสำหรับพระจ้าทึกรมมารก็ทรงดรองปกครองบ้านเมืองได้ความเป็นธรรมและก็กำหนดกาหนดอะไรวัตปฏิบัติส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือพระราชวินดาที่ต้องพเนจร อ, อยู่นอกพนคร โดยหาโอกาสออกระบผายพระราชโชติยานแล้วทรงปฏิบัติกิจการนอกนครเมื่อพบพระราชวินัยก็ส่งถามว่าต้องการอะไรบ้างเมื่อทรงทราบขอพระราชประสงค์แล้วก็พระเยทานเงินมาจับจ่ายให้แก่พระราชวินัยตามความปรารถนาจนทุกประกาศเป็นอันว่าเรื่องราวของพระจันทรคุมาณี้ก็ขอสรุป การลำดับอการลำดับชาติในะบรรดาท่านพุทธบริษัทก็หมายความว่าใครเป็นใครเนี่ยในหนังสือนี้ไม่มีก็ลืมเวลานี้ก็รีบเพราะว่าไม่ได้ทำงานมามานนานก็เลยรู้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครในชาตินั้นใครมาเกิดเป็นชาตินี้บ้างแต่ว่าพระจันท์ที่กุมารนั้นท่านสรุปว่านั่นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า มีตอนท้ายอยู่นิดหนึ่งที่บรรดาท่านพุทธบริษัทน่าจะสงสัยนั่นก็คือที่พระจันเทกมุมารเนี่ยมหา ร, ราชวินดาตั้งใจจะฆ่าหวังจะฆ่าพระองค์เป็นคนโงเ่เขลาทูชมบ้านเขาขับไล่ออกจากความเป็นพระราชาแต่ยังคิดกันไปว่าถ้าพระจันเทกมุมารจะกราบเออจะ กล่าวกัมรดาประชาชนว่านี่เป็นพระราชวินัยของเราเราขอไว้บางทีท่านหลายคิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้บัรนดาประชาชนอาจจะให้อภยัยแต่ทำไมพระจันทร์ใมานไม่ทำอย่างนั้นถ้าท่านคิดอย่างนี้กมรดาท่านพุทธบริษัทโปรดเข้าใจว่าน้ำที่กำลังไหลแรงเราจะประทะไม่ได้เอาอะไรเข้าประทะก็ล้ม เังนั้นในเมื่อเป็นบรรดาประชาชนมีความโกรธแค้นมากก็จำเป็นต้องปล่อยไปตามนั้นแต่ว่าการที่พระจันทรคุปมานไปช่วยพระราชบิดาในขณะที่อยู่ในป่ามีความทุกข์ทำให้พระองค์มีความสุขแก้ข้อบอกพร่องของชีวิตในความเป็นอยู่ อย่างนี้สมเด็จพระบรมครมูทรงจัดว่าเป็นคนที่ตั้งอยู่ในความกตัญญูรู้คุณนี่เรื่องความกตัญญูรู้คุณนี่มีความสําคัญปัญญาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่พระบุตรเจ้าทรงสันเสริญนักว่าคนที่มีความกตัญญูเนี่ยเป็นคนดีถึงกัทรงจัดพระพาสิทธิวานิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตา จึงแปลเป็นใจความว่าเรากลาบอคลใดมีความกระตันอยู่รู้อุปการะคนที่ท่านทำแล้วและก็ตอบสนองคุณท่านแล้วกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นคนดีท่านนี้สมมติว่าถ้าบิดามารดาของเราท่านเป็นโจรถ้าเราจะเลี้ยงท่านก็ต้องถือว่าเป็นการเลี้ยงโจรไหมเราจะบำรงท่านเป็นการบำรงโจรไหม ก็ต้องแยกจิตเป็นสองจุดเพื่องนี้คิดว่าจริยาใดท่านเป็นโจรเราไม่ปฏิบัติตามท่านแต่การให้ข้าวให้น้ำให้ยารักษาโรคการแสดงความเคารพในฐานะที่ท่านเป็นผู้ให้กำเนิดนี่เป็นความดีของเราเจนั้นก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเรื่องราวของพระจันทร์ทุกุมาร น, นี้ที่จบลงอย่างจะพราดจะผลุ และก็เศษจริงๆก็เลยหน้าสามหน้าไม่เต็มสี่หน้ายัางก็ต้องเอาเรื่องอื่นเข้ามาครับคือว่าเรื่องพระจันทร์กลมันรู้สึกจะสั้นเกินไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าธมาไม่เตรียมการมาก่อนเว้นจากการบันทึกเสียงมาเกือบปีไม่มีเวลาทำธุร ก, การภาระมาก ดังนั้นเรื่องนี้จึงต้องไปเกี่ยวกับเรื่องของท่านนาราถดาบทแต่ที่เรียกกันว่าภาษานักเพเดลพรมนารอด <c oughs> เพราะนั้นว่าตอนนี้การชุมนุมชาดกก็ไม่มีเพราะไม่ได้เตรียมตัวมาแนวเสือที่ถือเป็นหลักท่านก็ไม่ได้ชุมนุมชาดกไปมีอยูเรื่องหนึ่งก็ไปหยิบไม่ทัน <c oughs> เลยเตรียมกลัวมาก่อนฉะนั้นขอบรรดาท่าน ญาติโยมพุทธบริษัทเป็นภป็สาวกโคองสมเด็จปชิ น, วนวาวรเมื่อฟังเรื่องราวของพระจันทร์ทกุมารแล้วก็ได้เปิดคำหนึ่งว่าบางทีบางท่านเคยมาปรารกว่าทำความดีแสนดีแต่ครันแกล้ง้วยการทั้งปวงสำหรับถ้าเกิดขึ้นมาอย่างนี้ก็ดูบางทีนะมันเป็นกรรมเก่าที่เราทำเขาไว้ก็มี แต่ด้วาพระจันทร์จ ม, มานี้ไม่เคยทำไว้กันดาหาพรามเข้าใจว่าภายหลังท่านมาเกิดเป็นป ท, นทิวทัตจจนทาเทวีเมสสีสมัยนั้นเข้าใจว่ามาเกิดเป็นระนางพิมพารา้เจเทวีได้ก็พระราชจู ม, มานลูกชายเข้าใจว่ามาเกิดเป็นพระราหู สำหรับพระอาจาร์เทควมานนี้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงอรบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงสำหรับเรื่องราวของพระจันทร์เทควมานก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วมองดูเวลาก็พอดีหมดยิงของงดไว้ต่อนี้ไปหน้าที่สี่เป็นหน้าเป็นเรื่องราวของนาฎธนดาบทซึ่งจะปรากฏในการต่อไปในวันหน้าสําหรับวันนี้ขอลากร ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี